<c oughs> ความธรรมะเบาเบาสบายสบายนะตักตวงบุญอีกหน่อยก่อนที่จะทำการแผ่เบตตา <c oughs> วันอาสาฬหาบูชาเนี่ยมันเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างไรน่าจะตอบได้กันหมดนะเป็นวันเกิดของพุทธศาสนาศา ส, สนาพุทธเราเกิดวันอาสาฬหาบูชาเนี่ย เป็นตัวที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรแล้วในธรรมจักรมันมีอะไรอะไรที่มันใหม่ในโลกมั่งมีคําที่ไม่เคยใครกล่าวมาก่อนนั่นคือมัชชิมาปฏิปทาอริยสัจสี คือทุกสมุทัยนิโรธมักนี่ไม่เคยมีใครกล่าวมาก่อนทุกเคยมีกล่าวสมุทัยเคยมีกล่าวนิโรธมักไม่มีทุกที่เคยมีกล่าวสมัยก่อนก็ไม่เคยกล่าวถึงขณะที่เป็นสัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าว สมุทยัยแม้เคยมีกล่าวแต่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงขนาดเป็นสัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวนิโรธแม้มีการพูดถึงบ้างแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงขั้นที่เป็นสัจจะนิโรธที่เป็นสัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมักนแปลว่าทางก็คงพูดกันบ่อยแหละแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงมักในฐานะที่เป็นทางในความดับทุกข์ ถึงขั้นที่เป็นสัจจะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่จึงเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาคําที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัติมาปฏิปทานั่นคือเป็นตัวพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนั้นมัติมาปฏิปทาที่เรารู้เห็นการเกิดการดับและปล่อยวางไม่ใช่เพื่ออะไร เพื่อให้จิตอยู่ตรงมัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทานี่แหละคือมรรคมรรคคือทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์มันถอนตัณหาคือเหตุแห่งความทุกข์ออกไปนี่เกิดขึ้นในวันอาสาระบูชาเพราะว่า อาสาหะปุณณวีทวีเรกประกาศเกิดธรรมจั ก, กเกษมสันอริสัทสีแรกประกาศพลันกลางไพรวันถินมรึกมราคาประกาศพระธรรมจักปัญจกวคีห้ามาสดับน้อมใจรับพระสัทธรรมเทศนากระจางแจ้งกลางใจท่านโกนทัญญา กระจางแจ้งใจพระกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมลำเลือดชนเนี่ยเกิดขึ้นในวันนั้นดวงตาเห็นธรรมเป็นยังไงดวงตาเห็นธรรมก็สิ่งใดใดเกิดได้ธรรมสิ่งใด้ๆเกิดขึ้นได้ธรรมดา สิ่งนั้นนาดับไปไม่สับสนโกนธัญะประจักมั่นในกระบนธรรมรมาดลปฐมสงองอัญญานั่นเป็นอริยบุคคลท่านแรกจากนั้นก็ว่าได้เป็นอริยได้บรรลุแล้วจึงกราบทูล น, นะกราบทูลขอบวชจึงกราบทูลขออุปปสมบท พระสุกุตทรงประธานสมปราธนาจึงเกิดเป็นพระสงฆ์แรกรัตนา <c oughs> ในโลกาครบรัต์ประกาศพลันเป็นมงคารเวียนมาจวบบัตนี้อาสานะบุญนามีการละสมัยพวกเราทุกคนก็ เห็นความสำคัญก็จะได้น้อมใจกันไปเพื่อปฏิบัติบูชาตั้มาก็พูดเชิญชวนทุกปีแหละเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า่ถามบาพอถึงวันนี้แล้วเราทำอะไรถึงวันอาสนะบูชาจะทํทำอะไรกันมั่ง มันบอกไว้ควังเทศมหาชาติคนก็จัดเทศมหาชาติคนนั้นก็ไปกอเจอดีสายคนนั้นก็ไปทำอย่างนั้นคนนั้นก็ไปทำอย่างนี้แต่สิ่งที่ต้องทำหรือควรทำคือการไปถวายการบูชาต่อพระพุทธเจ้า วัดใครอยู่ใกล้วัดไหนเขาจัดกิจกรรมเรากบไปแต่ก่อนออกจากบ้านนะก่อนออกจากบ้านน้อมจิตเข้ามาที่ลมหายใจให้จิตรู้อยู่กับความเป็นกลางแล้วก็ส่งไปด้วยสติว่าเราจะไปเพื่อน้อมถวายการบูชาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยิ่งกว่าพ่อของเราทางธรรมนะ ผู้ที่เสียสละที่สุดจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำงานเผยแผ่พระศาสนาจนศาสนานี้ประจักรดิษฐานมั่นคงอยู่ในโลกแล้วก็สืบต่อจนทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักพ ร, รัตนรยัยรู้อริยสัจทรีรู้จักวิธีเป็นมรรคาปฏิบัติสำหรับที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ พอใจมันเปิดน้อมระลึกอย่างนี้แล้วมันก็ออกจากบ้านด้วยความอิ่มเอิบปิติปราโมดไปด้วยความศรัทธาไปถึงที่วัดใดๆที่เขามีกิจกรรมทําอยู่อะไรที่มันกระทบรกใจก็อย่านํามาปรุงนี่บางทีเวลาเราไปวัดอะไปวัดไปถึงมองบางที่มันก็มีของไม่ถูกใจบ้างบางที่มันก็กระทบต่อจริตเราบั่ง บางที่เขาก็พานิชย์มั่งบางที่มันก็กหลายอย่างนะแต่สิ่งที่กระทบมันมีทุกวัดอะ่ะเราอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมากระทบมากระทบเราเพราะใจเรามันมุ่งไปที่พระพุทธเจ้าไปบูชาพระองค์เดินเข้าไปเจอเห็นพระพุทธรูปแล้วโอ้ยค่อยค่อ ย, อยน้อมค่อยๆนั่งค่อยค่อยกราบไหว้ช้าช า, ชา ด้วยความอคอรพด้วยความอบอุ่นในวจิตวใจอย่างนี้อะไรที่เป็นอกุศลที่มันระกระทบให้มันอยู่ที่ไปที่อื่นไม่ยอมมาที่ใจของเราไม่ให้มันเกิดพอทำท้าจะเกิดดับมันเสียพระเจ้าท่านสอนไว้ท่องไว้วิตักกังสมยิตต ว, วานนะวิตะ ก, กูปสมเบระโต วิตกได้เป็นอกุศลความคิดได้เป็นอกุศลเกิดขึ้นให้สยบละลายความคิดอันเป็นอกุศล น, นั้นไม่ให้มันเป็นใหญ่ในใจของเราใจมันก็จะยิ่งสงบยิ่งสงบแต่ถ้าอากุศลมานะมันไม่สงหบหรอกแล้วเดี๋ยวมันก็จะฟุ้งซ่านกัดแกงดิ้นรนมันปรุงไปทั่ว นั่งก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขกังเทศกังทำก็ไม่เป็นสุขไหว้พระก็ไม่สงบแล้วเพราะว่าอากุศลมาแล้วนี่มันมันวุ่นไปหมดอ่ะนี่เราจะต้องไม่ให้มันกระทบพอเป็นอย่างนั้นจิตยิ่งเกิดกุศลขึ้นมาความปีติปราโมทก็จะเกิดมากขึ้นนี่นี่แค่การไปกราบบูชาพระพุทธเจ้านะความปราโมทที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่มันกลายเป็นปิด เป็นกลายเป็นความสะบบกายใจก็จะสังหบแล้วมันจะเกิดความสุขจิตก็จะตั้งมั่นได้หมดได้ครบเลยแต่เพียงเไงว่าให้ไปอย่าไปมีข้ออ้างปีหนึ่งครั้งหนึ่งวันอาสานะเมื่อถึงวันวิสาขาก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่ ง, าานะ ง, งาาปีงงปงมีไม่กี่วันของเรามีวัน วิสาขะมาคะไอมาคะวิสาขะอาศาณาสามวันมีวันอัธิวัตรจะมีวันอัฐมีอีกวันหนึ่งก็เชิญชวนเหมือนกันนะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีมีคนอยู่เจ็ดโกดเจ็ดโกดนี่ห้าโกดเป็นอริยม โสมดาบงโสดาบันสกกะคาคาพวกที่นับถือพระพุทธเจ้านะในสมัยนั้นวันหนึ่งไปวัดสองรอบเช้าไปและทุกครั้งที่เข้าไปวัดต้องได้ความธรรมต้องได้ความธรรมเย็นไปโดยเฉพาะทอา น, านาันนะต้องมีที่กาีนี่เวลาไปวัดนะ ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปมือเปล่านะพอเดินไปมือเปล่าแล้วเนี่ยกลัวพระพิสุธรมมามเดนินหนุ่มๆเด็กๆมองไปที่มือรู้สึกกระดากใจตนเองที่ว่าไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปทําบุญนะอนาตาบินดีกาเศรษฐีทุกครั้งเวลาเข้าวัดต้องมีอะไรติดมือไปแล้วแกยากจนขึ้นมารอบหนึ่งเคย ร, รู้เครู้ใช่ไหม ตำ ว, วินทิกาเศษรษฐีก็ตกอับจากรวยรวยรวยรวยรวยยมันหมดลูกน้องก่อโกงไอเงินสมไมนั้นมันยังไม่มีธนาคารเนี่ยมีเสร็จก็เก็บฝังไว้ใช่ไหมมันเคลื่อนน้ำมันแทงมันเคลื่อนก็หายอยู่นั่นเนี่ยสิบแปดโกดที่เป็นสมบัติต้นทุนมันหายสิบแปดโกดเท่าไหร่ รอยแปดิบล้านใช่ไหมไม่ราบเหรอสิบล้านเป็นหนึ่งโกด18ดโกดก็ร8อยแปสิบล้านนั่นน่ะมันเคลื่อนไหมนาตาบันดิกาเศรษฐีนี่ทำบุญจนเทวดาที่อยู่ประจำประจำตึกอะเทวดาที่อยู่ประจำประสาท เห็นใจแต่มันเป็นมิจฉาทิฐิเทวดามันเข้าไม่ถึงตัวบุญตัวกุศลมันเห็นใจว่าและยุอยู่ด้วยเตือนอยู่ด้วยว่าเพราะเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิเมื่อพระเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไปมันอยู่ไม่ได้มันต้องหลบมันต้องหลีกเวดวแต่เทวดาที่เป็นมิจฉาไอสัามมาทิฏฐิ พออนาถาวิดีกาเศรษฐีจนตกอับเช้าเยินทำทานจะทำยังไงก็ลดลงมาเรื่อยแต่ทำทุกวันนะที่สุดเหลือแต่ปลายลำข้าวต้มผสมกับผักเสี่ยนต้มเป็นข้าวเปรียงไปถวายไอ้ต้มเป็นข้าวต้มต้มปลายข้าวก็ยังเอาไปถวายอยู่ ตั้งเป็นทานสลากสสยโมหิใหญ่แล้วก็ตักถวายตักถวายคือว่าท่านทำโรงทานทุกวันแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไปถามเหมือนกัน ร, รู้สึกยังไงอนนทบินิกาติศีก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะว่าเวลามนตกอ่ะไอ้พวกพวกนั้นกโกงพวกเช่า เช้าที่นาพวกการค้าด้วยกันนี่เขาโกงมันตไปนี่ไอเทวดาเสตีกับดังนน้องไบนบนปราสาทเทวดามันก็ห้อยแสกับพรเจ้าบอกแล้วว่าอย่าไปบำรุงนักกับพระสมณโคดมกับพิทูบำรุงอะไรนักหนาจนกระทั่งตัวเองลำบาก อนาต บ, บินติกาเตศรีไล่เลยพออนาต บ, บินติกาเตศรีไล่เทวดามันก็อยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่เพราะไม่มีที่อยู่ทีนี้ก็เดือดร้อนนะนั่นเดือดร้อนถือว่าถ้าเป็นเรานึกนึกถึงนึกกลับไปไหมถ้าเป็นไพรวันนะถ้าเป็นไพรวันเกิด ชีวิตตกอับมีเทวดาเข้ามาอยาเอาไปแต่วัดสิไม่ไปนะหลายคนแหละจะไม่ไปเพราะมันวันไหวยังวันไหวในในพระพุทธเจ้าเทวดาบอกอยไปทำมนะั่งบุญอะไนลำบากเดี๋ยวนี้เรายังมี วันไหวกับคาพูดคนบางคนที่เขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมาถือว่าพูดตรอกหูกันเฮต้นใ น, นั้นปลูกไม่ได้นหน้าบ้านนะพ่วงฟ้าอย่ามาปลูกหน้าบ้านปลูกแล้วลูกสาวจะไม่คือลูกสาวจะขึ้นขานแกทํำยางไงรู้เป่าอ้าวไอ้สามีนี่ชอบต้นพ่วงฟ้าแต่พกคนมาทักพันนยาเขาไม่อยากให้ลูกสาวขึ้นขาน ค่อยๆออน้ำร้อนใส่ทุกวันทุกวันควงความันก็เหี่ยวเหียวเยียวเียวจนตายไปอาตมาที่หน้ากุฏิปลูกแต่คร่องว้าอย่างเดียวฮะลูกสาวขึ้นการหมดเอออีกคำพูดบางคำพูดเห็นไหมเราวันไว้แล้ว อันน e <Yeah. S 1> ี้เสียเงินไปตั้งเท่าไหร่เกิดวิกฤตว่าทำบุญทําความดีตั้งเยอะแยะเงินหายไปร้อยแปดสิบล้านคนเบี้ยวยืมเงินกู้เงินก็หนีลูกจ้างก็โกงยังทําบุญยังเอาไอ้นั้นมาทําบุญรู้สึกอะไรเทวดาเดือดร้อนเลยแต่ไล่เทวดาออก ถ้าเป็นเราเราลองนึกดูสิว่าเราดูอย่างสภาพนั้นนะโอ้โหมีเงินสร้างวัด270ล้านน่ะสร้างวัดอะ่ะห้าอยสีล้านเศรษฐีสร้างวัดนั้นสร้างวัดพระเชตวันะ่ะไม่ธรรมดานะห้าล้าน คนสมัยนี้ธตรมาทาั้งนี้ก็บอกว่าโง่จริแต่เศรษฐีทำสบายสบายเพราะอะไรเพราะโสตาปฏิกังคะมันไม่ใช่ความหลงมันเป็นความไม่หวั่นไหวมันเป็นความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ในเรื่องของกรรมและการกระทำกับเจตนาที่มีอยู่นั้นมันตรงกันไม่มีความหวังใด ในการกระทานั้นเพียงแค่ทำเพราะบูชาพระพุทธเจา้าเพียงแค่ทำเพราะถวายก็ทำาแล้วเทวดาเมื่อถูกเศรษฐีไล่ไม่มีที่อยู่ก็ไปไปหาเทพที่รักษาพระนครให้ช่วยหน่อยเพราะไม่มีที่อยู่เทพที่รักษาพระนครก็บอกให้ i, ช่วยไม่ได้นะก็ขึ้นไปหาพระอินทร์ ขอร้องให้พระอินช่วยพระอินเราช่วยไม่ได้อ่ะแต่ว่าแนะพระอินนะแนะเศรษฐีแนะไอเดวาดามาว่าให้ให้มาขอโทษเศรษฐีเจ้าเศรษฐีอนุญาตได้อยู่ก็อยู่ได้ต่อก็มาขอโทษอให้มาขอโทษเศษเรษฐีแล้วก็ตามหาทรัพย์ของเศรษฐีให้เจอ ซึ่งในระหว่างนั้นเศรษฐีก็ให้คนตามหาอยู่นะเนี่ยก็ตามหาไอ้ไอ้ขวางไว้มันเคลื่อนน่ะมันเคลื่อนที่ไปอยู่ดิมน้ําอ่ะไปดิน ม, มันเคลื่อนใอที่สุกก็ไอเ้เทวดาก็ไปนันดาให้เจอให้เศรษฐีได้เจอทราบคือทราบเสร็จไปขอสศรษฐีเศรษฐีบอกฉันไม่ได้โกรธแต่ถ้าจะขอโทษขอโทษฉันไม่ได้หรอกต้องไปขอโทษพ่อฉันก็ต้องไปขอให้พระพุทธเจ้ายกโทษให้ ผู้ชายยกโทษให้เทวดาก็ได้มาอยู่อย่างเดิมหลังจากนั้นก็ควังทำไปควังทำมาก็ได้เป็นสมมาทิฏฐิเหมือนกันเป็นธรรมดาที่เป็นเทวดาที่เป็นสมมาทิฏฐิขนาดเทวดามันยังต้องอาศัยคนเลยเห็นปะเราไปนั่งไหว้อะไรก็นักหนามันต้องอาศัยคนเลยเห็นไหมเออการนเทวดาน่ะมันยังต้องอาศัยคนเลยและพูดถึงคนเรือ่องดีอกดีใจ อนาต ว, วิดีกาเศรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนี่สวนทางกันเลยนะนี่ของพวกเรานี่ดีนี่ดีเนอะมาโอ้ยชวนปัญญ า, าก็มาลูกกลับมานี่นะนุ่นของสวนรณนนกับปัญญ า, ากลับมาออดีนะลูกกลมาอีกฝั่ง นี่ไงมาแม่ลูกไหนคนไหนไม่ลูกแม่ลูกไหนไหนอะลูกสะพ้า ย, ยใครอะแล้วนุ่นแม่แม่สามีกับลูกสะภ้าเออเ <laughs> ดูไว้ใครมีลูกสะภ้ายดูไว้ดูไว้ดูไว้ถ้าพามาอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าไหนใครเป็นลูกสะภ้ายต้องพาแม่สามีมาอย่างเงี้ยเรียกว่าเอาอยู่เลย ใครเป็นใครเป็นเป็นแม่ปัวแล้วเอาลูกสะพ้ายมาอย่างนี้และเอาอยู่เห็นไหมมาเรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปกันลูกเศรษฐีอนาถบิดีกาเศรษฐีลูกแก่ไม่เอานะมันบ้าแต่เงินจะทําอะไรก็ต้องได้เงินทําอะไรต้องได้เงินเศรษฐีทำยังไง ร, รู้ป่ะนี่ความรักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นเบตตาที่ เป็นเบตาที่เล็งเห็นผลของการกระทำว่าเราจะพัฒนาลูกของตนยังไงที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าองค์ของการกระทำที่มันไปจากสติที่มันเป็นกลางคือมันมีปัญญาเป็นตัวโฟกัสแล้วก็พิจารณาหารายละเอียดได้เห็นเป้าล็อกเป้าวไว้หลังจากนั้นมุ่งมั่นใส่ใจด้วยสัจจะแล้วก็จากนั้นก็จะฆคือเสียสละ ทุมเทหลักจากนั้นอุปสมะก็คือสยบสหบเพื่อที่จะให้กิจอันเนี้ยมันขับเคลื่อนไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพสิทธีก็เหมือนกันใช้หลักการอันนี้ชวนลูกไปมันไม่ไปนพอไปกับพ่อไปถึงนั่งกับพ่อนะถึงเวลาพ่อไปถวายมันไม่ก็เดินชมวัดอ่ะ เราเคยมีลูกไปกับเราบ้างไหมสังเกต ด, ดิไปถึงลูกแต่เศรษฐีต้องการให้ลูกได้ความเทเสเศรษฐีอะต้องการให้ลูกได้ความเทเสอ๋อวันนี้ลูกไปเอะไปกับพ่อไปแค่ไปอย่างเดียวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพ่อให้รางวัลไปไอ้นี่ก็ไปแต่ก็ได้ตังค์ไปเที่ยวจบ ก็ต่อมาไปอย่างนี้บ่อยๆก็ต่อหลังก็ พ, พัเ อ, อีวันที่ไปถวายของด้วยกันนะถ้าได้แต่ไปถวายของรับพรแล้วก็จะเพิ่มก็ไปก็ ถ, ถวายของรับพรเพิ่มพอ อ, ออีกหลังเขียนเอาวันนี้ไอ้อยู่นะอยู่ให้ได้ควังเทศนะลูกนะถ้าลูกไปถวายของรับพรเสร็จได้ควังเทศแล้วก็วันนี้พ่อมีรางวัลใหญ่ให้เลยไปถึงก็นั่งควังเทศพอควังเทศเสร็จนะ่ะมันได้ความรู้ได้ปัญญา พอกลับมาวันต่อไปเศรษีไม่ต้องชวนแล้วก็ไปเองนะเนี่ยอย่างมึอนี่มีเค่ตัวอย่างมั้งมึงเนี่ยนี่นี่ไม่ค่อยแค่ไม่ค่อยได้ไปวัดเลยใครชวนเนี่ยไม่ค่ยได้ไปอ呀เออเดี๋ยวนี้ยังมาปฏิบัติประจำเเนี่ยเพราะว่าลูกและภรรยาว่าชวนอ่ะเออเนี่ยเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่า ไม่ไม่นักงอันนี้อันนี้แบบแบบแค่ชวนใจความรักความผูกพันใจความรักความผูกพันในฐานะลูกในฐานะภรรยาเป็นเครื่องมือในการชวนเราก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันแล้วถ้าใครที่มันไม่ถูกอะอยู่ในครอบครัวเดียวกันอะที่มันไม่ถูกเราเปิดใจให้กว้างแผ่เมตตาให้เขาทำใจให้รักมองเห็นข้อดีของเขาให้เป็นมองให้เห็นคุณค่าของเขาให้ได้ ถ้าเรามองเห็นคุณค่าของเขาแล้วอย่าบอกว่ามันไม่มีคุณค่าเลยทีจะมองเลยมันไม่ได้หรอกนะมันมีมองให้เห็นคุณค่าของเขาไม่ใช่ว่าคุณค่าที่เขามีต่อเรานะว่าคุณค่าที่เป็นเขาว่าเขามีคุณค่ามีอะไรัต่างๆมองให้เห็นให้ออกให้ได้แล้วเขาหาโอกาสชักชวนกันทําอย่างเนี้ยแต่ชักชวนทําแบบนี้มันจะเห็นอะไรเราผู้ชักชวนไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหม เราพูดชักชวนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์โอกาสที่เขาจะทำมันเลยง่ายไงนี่สองคนนี้ใครชวนใครแม่แม่ชวนลู ก, ลกเห็นหมแม่ชวนลูกเพราะสิ่งที่แม่ชวนแม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เป็นวัตถุที่เป็นผลตอบแทนอนอนาถบินดีกาเศรษฐี มีความไม่หวั่นไหวในเรื่องศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแล้วบ้านแกนะมอีอุโปสถาคารคืออะไรรูปป้ป่ะอุโปสถาคนาไหนตอบดิอะไรโรงอุโบสถโรงอุโบสถโรงอุโบสถมีไว้ทำไมพอถึงวันพระ ทุกชีวิตในนั้นถือโบสถศดิสิหมดเลยแล้วก็จะไปใช้ชีวิตอยู่กันในโรงนี้โรงครัวปิดโรงครัววันนั้นปิดเด็กเด็กน้อยที่ยังกินนมแม่ล้างหัวนมแล้วก็เช็ดแห้งสนิทปิดต้องกินน้ำพึ่งแทน บ้านของมาเสถีนีกินน้ำพึ่งแทนถ้าเป็นสมัยนี้ก็ออาบรวเพชทาอะไรต้อมันจะกินแต่เด็กรู้เอออยู่ในโรงโบูรกันหมดเลยทุกคนแล้วถ้าใครไปอยู่ในโรงครัวจะเป็นที่น่ารังเกียจและถ้าใครเป็นเป้แม่บ้านที่จะต้องคอยทำอาหารเลี้ยงใครสักคนจะรู้สึกตัวเองแบบไม่อยากจะไปแตะ อาหารขาวหวานไม่อยากจะไปแตะของคี่กินเพราะว่าตัวเองถืออุโบสถไม่อยากให้มันมีบนทินอยากให้มันสะอาดอยากให้มันเกลี้ยงเราอยากให้มันบริสุทธิ์มีวันหนึ่งไอ้ลูกจ้างวันนั้นเป็นวันอุโบสถบริมีลูกจ้างมาใหม่รับจ้างเข้ามาก็เขาจ้างให้มันไปตัดฟืนในป่าเช้ามันไปแล้ว พอไปเสร็จแล้วก็เย็นกลับมากลับมาถึงไปน่ยมันหิวเนี่ยมันก็ไปโงไปโรงครัวสิแต่เศรษฐีวันนั้นสั่งแม่ครัวไว้แล้วว่าไอ้คนงานที่มันมาใหม่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าพวกเราถืออุโบสถศีลกันเพราะฉะนั้นให้โรงครัวเตรียมอาหารไว้สําหรับเขาให้แม่ครัวมันทําไปมันมันก็แบบอึอดอนะัดอะ ไม่อยากจะไปแตะอาหารน่ะแต่ไอลูกจ้างคนนี้กลับมาถึงก็เดินตรงเข้าไปในครัวเงียบไม่มีเสียงเลยเขาไปไหนกันหมดมันก็ไม่รู้ทีนี้ไอแม่ครัวคนหนึ่งบอกเอาน้นกับเข้าเจ้าไปที่เอาแล้วคนอื่นเขาไม่กินกันเหรอใครก็จะไปกินวันนี้วันอุโบสถก็ถือศีลอุโบสถกันไอนี่มันจะกินแลม้มาที่มันงงวะมันอะไรคืออุโบสถ มันก็ไปถามเศรษฐีไอ้ถามไอ้คนเนี่ยว่าอะไรคือโบรถเอ์เขาถือศีลกันดิมันก็ไปถามเศรษฐีเศรษฐีก็อธิบายเรื่องของอุโบสถให้กวางแต่ตอนนั้นมันมันเลยเที่ยงไปแล้วนะมันมืดอย่ามืดแล้วมันบอกเอ๊ท่านเศรษฐีมาถึงตอนเนี้ยผมจะถืออุโบสถ ด, ด้วยได้ไหมเศรษฐีบอกได้แต่ได้ครึ่งเดียวได้ครึ่งคือข้าวที่เขาเตรียมไว้แล้ว ไอ้ลูกจ้างคนนี้มันไม่กินได้ครึง่งพอตกกลางคืนดิเศรษฐีก็เตรียมการไว้แล้วนะเป็นเพสัตชสําหรับใครที่มันหิวปวดท้องแสบท้องอะไรขึ้นมานี่กินเพสัตชได้คือน้าพึ่งผสมกับอะไรไม่รู้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพสัชกินได้ไม่ผิดศีลไอ้นี่พอกลางคืนปับมันไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันท้องมันก็ร้องแล้วคนทํางานหนะักสมัยนั้นน่ะ พ่อมันก็ร้องเสถีก็ให้คนเอาเพสัชไปให้เอ่ามันบอกว่าท่านเสถียกินไหมบอกไม่เราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้นั่นนี่โอ๊ยท่านไม่กินผมก็จะไม่กินวันอบผ้าข้นมาผูกเอาที่ท้องเลยมันรัดพอยิ่งหิวมันก็รัดกันไปรัดกันไปรัดกันไปผมจะเอาอุโบสถครึ่งเดียวนี้ยให้บริสุทธิ์้ได้จะไม่ให้มันแปะเปื้อนเลยมันว่า พอเช้ารุ่งราตรีออกกุบ์สุดมันก็ตายแม่ชอบประดิพออย่างเนี้ยชอบแต่ละคนนี่พอนั่งภาวนาไม่ค่อยอะไรเอ้าตายแล้วไปไหนนะตายแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเนี่ยพตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นใสต้นใหญ่ อยู่ทางเชื่อมระหว่างป่าหิมพานออกมาเมืองโกสัมพีอยู่ที่ต้นไม้นั้นเนปะ็นลุกเทวดาที่วันนั้นมีดุษีห้าร้อยห้าร้อยตนดูษีพวกนี้จะบำเพ็ญตบะถือศีลบวชอยู่ในป่าหิมพานเขาจะอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยสี่เดือนรู้ดูฝน แล้วแปดเดือนมาอยู่ข้างล่างแล้วก็วันนั้นพวกรูสีพวกนี้ก็เดินทางมาก็ผ่าน ม, มาถึงที่ต้นไม้พอมาถึงก็ต้นไม้ใหญ่ต้นเนี้ยแล้วก็มันไม่มีสระน้ำไม่มีบ่อน้ําไม่มีอะไรนะเศรษฐีก็ไอ้ไอ้ไ อ, อ้รูสีบอกต้นไม้นี้มันรู้สึก็เป็นธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ๆเป็กๆมันรู้สึกอึมครึมแล้วรู้สึกมันเหมือนมีอะไรอะ่ะ ไอ้นี่มันต้องมีของอะไรเงี้ยไอ้พระไอ้ทีฤาษีเขบอกต้นไม้นี้ถ้าทางมันต้องมีอะไรสิงอยู่แน่ๆเลยแล้วก็หัวหน้าของฤาษีอ่ะแกก็ว่าถ้ามันมีอยู่จริงคิดอย่างงี้นะถ้าต้นไม้นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิงอยู่เนี่ยเขาจะต้องรู้สิ่งที่เราคิด ตอนนี้พวกเรามานี่ลำบากเหลือเกินไม่มีน้ำใจถ้าเขารู้ถ้าเขามีอยู่จริงเล็กเขารู้ว่าเรามาเขารู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยากได้น้ำถ้ามันมีสระน้ำอยู่ใกล้ๆนี้นทักษะหนึ่งก็จะดีมันก็มีสระน้ำเกิดขึ้นมาปุ๊บไปดูเออมันมีสระน้ำพวกนี้ก็ไปใช้น้ำกันแต่เศรษฐีรู้สึกไอ้ฤาษีรู้สึ ก, สกมันเกิดด้วยอานาจของเทพแรับ จากนั้นก็บอกว่าถ้าเทวดานี้มีจริงมันจะต้องรู้ว่าเราอยากเห็นเขาจะต้องปรากฏให้เราเห็นมันก็ปรากฏเป็นรูปเทวดาลงมาจากต้นไทรนั้นแหละแสงสวางรืองรอรุ่งโรดมากเรียกว่าสมบัติมาก ส, สมบัติมากไอ้ดุสีก็ถามว่าโอ้ยท่านเทวดา ท่านทาบุญด้วยอะไรเนี่ยถึงมีแสงสว่างรุ่งโรจน์มากถึงขนาดนี้เทวดาบอกว่าไงว่าอย่าทมอย่าถา ม, าม <laughs> ฉันอาย <laughs> <laughs> เราไม่กล้าบอกหรอกเราทํานิดเดียวอะไรนิดเดียวก็เลยเนี่ยนิดเดียวจากการรักษาอุโบสถครึง่งไม่ได้เต็มอุโบสถนะ ได้หนึ่งครึ่งของอุโบสถเนี่ยนะตรงนี้นิดเดียวได้มาขนาดนี้เอ้ยท่านดักกษาอุโบสถที่ไหนก็บ้านของอนาถาบินดีกาเทศีท่านอนาบินาณาถบินดีกาเทศีเนี่ยบอก็เป็นคนที่ถืออุโบสถขนาดนั้นกันเลยเหรอบอกก็ใช่ที่เขาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะ่ะเพราะตอนนั้นพวกฤาษีที่บวชอยู่ในป่ายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะ่ะ พุทโธอุปนโนโลเกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพุทโธโลโกโเกอุปนโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพวกฤาษีก็เลยขอบ อ, อกขอบใจเทวดารีบไปหาโคสกาเศรษฐีที่เมืองโกสมพีเพราะเป็นโยมอุปถากบอกกับโคสกาเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่อยู่นี่แล้วนะพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะไปเชตวันมหาวิหารเพื่อไปกราบพระพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นแล้วเราจะไปบวชกับพระพุทธเจ้า ไอ้พวกโคศกาตเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไอ้พวกอาจารย์พวกนี้นี่เป็นผู้ที่มีสมณจาริกสมณวัตรที่งดงามถึงขนาดละเลิกการบำเพ็ญตนของตัวเองยอมไปถวายตัวเป็นข้าในพระพุทธเจ้าท่วาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นบุคคลที่สำคัญมากเราก็จะต้องไปถวายสาการะด้วย เอาเกวียนห้าร้อยห้าร้อยเกวียนห้าร้อยเล่มใส่สินค้าไปเต็มเลยตามพวกฤาษีไปนี่แหละเป็นที่มาที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงโกสมุมปีไอฤาษีก็ไปถึงที่โน้นก็บวชหมดนะไอโกสกะเทศีไปถึงได้ฟังธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันถวายทั้งห้าร้อยเกวียนนั่นแหละถวายของแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไหว ว่าพวกข้าพระองค์กลับไปแล้วก็จะสร้างวัดปรับปรุงวิหารที่เป็นของพวกฤาษีเก่อ่ะให้มาเป็นวัดแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมากราบทูล น, นิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งวัดที่โคสกาศเศรษฐีทั้งชื่อว่าอะไรชื่อว่าวัดอะไรไม่ใช่โคศกาศเศรษฐีที่กรุงโกสัมพีชื่อวัวดอะไร ฮะโคสิตารามอืมโคสิตารามเนี่ยโคสกาสิตีเนี่ยจากการที่คนคนหนึ่งมันรักษาอุโบสถครึ่งเดียวเห็นไหมความดีเนี่ยถ้ามันดีแล้วมันอัศจรรย์มันพาทุกอย่างให้มันดีไปหมดดีของไอ้ลูกจ้างรักษาอุโบสถครึ่งเดียวพาให้ฤาษี ได้มีโอกาสไปบวชถึง5า0ร้อยเกิดเป็นพระรยาบุคคลขึ้นเพิ่มมาและแค่นั้นไม่พอทำให้หมาเศรษฐีของเมืองโกสุมพีสามท่านที่เป็นเพื่อนกันเข้าไปเป็นอุบาสกในพุทธศาสนาสร้างวัดสามวัดแต่วัดที่มีความสำคัญก็คือโกสิตารามแค่นั้นไม่พอทำให้พระเจ้าแผ่นดินพระมเหสีคือ พระเจ้าอุเทนและพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยอยู่ในวังนี่ก็รู้อยู่แล้วสมัยนั้นหน้าต่างยังไม่มีเล ย, ยในปราสาทอนะ่ะปราสาทที่นางสนมอยู่จะไม่มีหน้าต่างนะโชคดีไม่ให้เกิดในสมัยนี้พวกนี้ <laughs> หน้าต่างเกิดขึ้นครั้งแรกก็เราสมัยนางสามาวดีนี่แหละสมัยก่อนหน้าต่างไม่มีมีแต่ประตูเข้าไปจากด้านหน้านางสดมมีทั้งอลไรก็ขังไว้อยู่ในนั่นนะ่ะทีนี้นางสามาวดีได้รู้อนุภาพของพระพุทธเจ้าจากหญิงรับใช้ชื่อชื่อนางอะไรไะอะไรวะฮะ ฮะคุณคุณชุตราเป็นหญิงหลังคอ้อมอปารักได้รู้ข่าพระพุทธเจ้าจากไอ้ผู้หญิงคนนี้ยฟังเสร็จแล้วฟัวงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วควงธรรมจากไอ้นางคุชุตราเนี่ยนางสามาวดีบรรลุเป็นโสดาบันสุดยอดไหมเรววาฟังกี่กันนะเนี่ย นางสามมาว ด, ดีพอเป็นสมดบันแล้วทำยังไงจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ออกไปไม่ได้ต้องเจาะรูเล็กๆในในในตำหนักอพอพระพุทธเจ้าสเสด็จบินสบามจากวัดโคสิตารามผ่านเมืองอก็เอามือจับดอกบัวสามดอกชูออกนอกตำหนัก ก, ai, กราบถวายสัการะบูชาต่อพระพุทธเจ้าพวกนางนางสดมดุของนางสาบวบรีห้าร้อยก็เจาะกันคนลรูแล้ว <c oughs> จนเกิดเรื่องเกิดราวสุดท้ายพระเจ้าอุเทนเห็นความศรัทธาของนางสาบรีเลยสั่งให้ทําหน้าต่างที่เจาะรูวไว้นะทำเป็นหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างสําหรับให้พวกนี้ได้ยืนถวายสักราระพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าสเสด็จ แล้วตอนหลังก็โกดเรื่องกดธราวอีกเยอะแยะมากมายจนในที่สุดพระเจ้าอุเทนอนุญาตในนางสามามวดีนิมนต์พระพุทธเจ้าเข้ามาในตำหนักเจากจากความดีของคนคนเดียวคือใครฮะเอ้ลูกจ้างกันหดะที่มันไม่ยอมกินข้าวรักษาอุโบสถเพียงครึ่งเดียวดูที่เกิดขึ้นโอ้โหเยอะแยะมากมาย <c oughs> แล้วพระเจ้าอุเทนนะ หลังจากนั้นก็เห็นใจเกินนางสวสดีสัางนิมนต์พระนิมนต์พระในพระวัดรักโศตรามอ่ะให้มารับสังฆทานทุกวันเดิ้ท่านก็ถวายผ้าจีวรพระพุทธเจ้าให้เป็นหน้าที่ของพระอานุนจริงจริงอ่ะเกิจะนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้เราตถาคตเป็นที่ปรารถนาของคนหมู่มากจะมาล็อก ไวเ้เฉพาะฮอย่ามาล็อกไม่ได้เข้าใจป่าวเดีมาล็อกไว้ไม่ได้ เ, เลยให้เป็นหน้าที่ของพระนรนรไปพระนนรไปถึงพระเจ้าเท็นนางสาวมาวันี้ก็ถวายผ้าจีวอนถวายจีวอนวันนี้ไปก็ถวายรุ่งอีกวันไปก็ถวายรุ่งวันทำไมก็ถวาย พระเจ้าอุเทนเกก็คิดพระเกมันยังไม่ได้ศรัทธาอะไรมากมายฮนะจีวอนพระอนุนได้จีวอนผ้าดีๆไป้ตั้งเยอะแยะจะเอาไปไหนรับไปทําไมนักหนาเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนเกอถามพระอนุนเนาะพระนุ์จีวอนที่ท่านรับไปเนี่ยแล้วไอ้ที่รับไปเมื่อวันก่อนเอาไปไหนฮะท่านอ๋อก็ไปถวายพระที่ท่านจีวอนเก่าๆเอ้า แล้วจีวรเก่าๆของพระเ่านั้นเอาไปไหนอะ่ะก็เอาไปทําเป็นผ้าปูนอนอ้าแล้วไปทําเป็นผ้าปูนอนแล้วไอ้ผ้าปูนอนนุ่นเอาไปไหนอะ่ะมันแปะเจ้าบูเทนแกเป็นคนข้ังจะถามเอาความแต่หาเรื่องหน่อยนะไอ้ผ้าปูนอนนั้นเอาไปไหนไผ้าปูนอนผืนเก่าะก็เอาไปทําเป็นผ้าเช็ดเท้า ภาคีเริยวภาคีเริยวเลยภาคีตาเอาแล้วภาคีเริยวเลยภาคีต า, ว า, ว า, วาวพวกนั้นเอาไปไหนอ่ะอ๋อท่านไม่รู้เหรอก็เอาไปตำตๆตำผสมกับดินเหนียวทำเป็นกำแพงพระเจ้าอุเนบอกโ้ oh, สาวกของพระสมัมมาสัมชายของมีคุณภาพมากถวายใหญ่เลย พระอนุนจึงเป็นพระรูปเดียวที่เวลาเดินทางไปไหนจะมีรถเกวียนตามหลังและในรถเกวียนนั้นเต็มไปด้วยจีวรเต็มไปด้วยจีวรเนี่ยมันนีมาจากไหนอีกอะก็มาจากไอ้ลูกจ้างที่มันทําบุญรักษาอุโบสถศีลแค่ครึ่งเดียวไอ้สี่โมงกว่าแล้วยมวันนี้ก็พอทุ่มควรแก่เวลานะนะโยมชอบแบบไอ้เล่านิทานเนี่ย ยะถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสากรางเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังกุปเกิดปติอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปเปวะสมิชะตุสเพปูเรนตุสังขปาจันโทปนรโชยถามานิโชติระโสยะถาอภิวาฒนสีลิสนิจังอุฒาป aja ยดจัตารุธรรมาวตันติอายุวันโดสุขังพระลัง เตอัตลธาสุขีตาวิรุณหามุทตสาสเดอารุคาสุขิตาโหตสหัสเภหิยาติปิสัพพุทานุภาเวนะสัพพธมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทาโสธีพวันตุเต